ไม่ไปโดยรีบด่วนเหมือนคนรีบร้อนนะท่านก็เลยพูดเป็นเชิงเตือนว่าปินดัปาติกะทุดงโดยรีบด่วนหามีไม่ไม่มีรอกทุดงข้อรีบไปรีบมาเนี่ยนะน่รีบไปบินธบาลวิ่งฉับฉับๆับฉั บ, บแบบรีบร้อนอะไนไม่มีรอกย่อมเดินไปโดยไม่หวั่นไหวเหมือนกียนที่บรรทุกน้าเต็มนะนะประคับประคองแบบไปเรื่อยๆไม่ใช่เดี๋ยวก็ใจมันก็ชอกเิกไปหมด พอถึงสถานที่ครุขะฉะนั้นภิกษุเข้าไปตามลําดับเรือนแล้วรอเวลาที่สมควรแก่เรือนนั้น น, นะสังเกตดูว่ามีผู้ประสงค์จะถวายไหมหรือเขาไม่ถวายถ้าเขาประสงค์จะถวายก็รอเขาซะหน่อยนะรับภิกษาแล้วก็นั่งโอกาสอันสมควรมณสิการกรรมฐานก่อนจะฉันก็ปฏิกูลมณสิการในอาหารพิจารณาอุปมาอาหารนั้นเหมือนกับน้ามันหยอดเพลาเกวียหรือเหมือนผ้าพันแผลเหมือนกับ บริโภคเนื้อบุรฉันอาหารอันประกอบไปด้วยองแปลคือไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตก แ, แต่งแต่เพียงเพื่อให้กายนี้เป็นไปอยู่ได้เป็นต้นเนะ่ะฉันเสร็จแล้วก็ทำกิจด้วยน้ำล้างมือบ้วนปากบันเทาความกรนกวายอยู่สักครู่หนึ่งหลังจากนั้นก็เจริญกรรมฐานตลอดจนถึงปฐมญาณฉันเสร็จก็เจริญกรรมฐานสืบเนื่องมาจนถึงสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วก็ อะไรนะก็เจริญกรรมฐานพักผ่อนแล้วก็ตื่นเช้ามาประชิมัยามเดกก็เจริญต่อก็สรุปว่าเจริญกรรมฐานอย่างนี้ทุกวันสืบเนื่องบันไปตลอดเป็น10บ0ิบปีเนี่ยนะกรรมฐานที่พูดดังกล่าวนี้เรียกว่าคตะปัจจักตะวัดวัดในการนํากรรมฐานไปนํากรรมฐานกลับวิธีการบริหารกรรมฐานบริหารสามถะวิปัสนาให้เป็นไปอย่างสืบเนื่อง เมื่อ <Me> พิสูจนนั้นบําเพ็ญขตตะปัจจคตวัดอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยหมายคําว่าอดีตสังสมอุปนิสัยที่จะบรรลุพระอรหันต์มาก็บรรลุพระอรหันต์ในปฐมวัยนะบรรลุ ก, ก่อนอายุ30แน่ถ้าไม่บรรลุ ก, ก่อนอายุ30ก็บรรลุภายในไม่เกินอายุ60ถ้าบรรลุไม่เกิน60ก็บรรลุไม่เกินจุติว่างั้นเถิดนะมาชิปัจฉิมวัยก็บรรลุถ้าไม่ตอนนั้นก็บรรลุ ก, ก่อนจะตาย ่อมรณสมัยก็บรุถ้าไม่บรรลุตอนมรณสมัยเป็นเท พ, พบุตรไดอุตสปายะเป็นต้นแล้วก็บรุถ้าไม่บรรลุตอนเป็นพระพุทธเป็นเทวดาก็เป็นพระประเจคพระพุทธเจ้าแล้วปรินิพานถ้าไม่เป็นพระประเจกก็เป็นพระขิปปาพินยาเหมือนกับพระพายะเทระ <c oughs> หรือเป็นผู้มีปัญญามากเหมือนพระสารีบุตรเทระในสานักของพระพุทธเจ้าน่นะ เพราะเันผู้ที่สั่งสมบุญมีการเจริญกรรมฐานอบรมสมถะวิปัสนาให้เป็นไปอย่างสืบเนื่องถ้าเจริญตามนี้ได้จริงตลอดระยะยาวก็สามารถบรรลุได้โดยไม่ยากคนที่สั่งสมบุญสั่งสมกรรมฐานสั่งสมสมถะวิปัสนามาอย่างนี้การบรรลุมรรคผลก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรทีนี้ฝ่ายพระปจเจ ก, กโพธิสัตว์องค์นี้ท่านก็ได้บวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ เป็นผู้อยู่ในป่าเป็นวัดบําเพ็ญขตะปัจจาขตะวัดนั่นแลตลอดสองหมื่นปีตั้งสองหมื่นปีเลยนะของเราเนี่ยไม่ได้หนึ่งในสิบของท่านไม่ได้หนึ่งในสิบก็ไม่ได้หนึ่งในร้อยได้ไหมสองหมื่นหั ร, ร้อยได้เท่าไหร่ก็สรุปให้มันได้บ้างนะนะท่านก็ทําอยู่สองหมื่นปีตายกาละก็อุบัติในเทวโลกชั้นกา ม, มาวาจรจุติจากเทวโลก ก็มาถือปฏิสนธิในครันของพระอัครมเหสีของพระเจ้าพารณสีหญิงทั้งหลายผู้ฉลาดย่อมรู้ฐานะที่ตนมีคันในวันนั้นนั่นเองและพระอัครมเหสีนั้นก็เป็นหญิงองค์หนึ่งที่ฉลาดในบรรดาหญิงเหล่านั้นฉะนั้นพระองค์ก็รู้รู้ว่าพระองค์ในตั้งครันก็เลยทูลบอกการตั้งครันแด่พระราชาการที่มาตุคามเมื่อสักผู้มีปัญญาเกิดในครันย่อมได้การบริหารเป็นอย่างดีนี่เป็นธรรมดา แต่พันคนมีบุญมาเกิดเนี่ยนะโหจะได้รับการดูแลบำรุงเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษนี่เป็นเรื่องปกตินะถ้าคนมีบุญมาเกิดเหมนกันเพราะฉะนั้นพระราชาก็เลยพระราชาทานเครื่องบริหารคันแก่พระนางจำเดิมแต่นั้นพระนางไม่ได้เพื่อจะทรงกลืนพระกายอาหารบางอย่างอะไรที่มันร้อนเกินไปก็ถูกห้ามานะเย็นเกินไปก็ห้ามเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดขมจัดถูกห้ามหมด เพราะเมื่อมารดากลืนอาหารที่ร้อนจัดสัตว์ที่อยู่ในครันก็เป็นเหมือนกับอยู่ในโลหะกุมพีมันมันร้อนระอวนะถ้าแม่แม่กลืนของร้อนร้อนเนี่ยลูกในท้องจะร้อนด้วยไหมทิวบอบบางขนาดนั้นก็ร้อนไปด้วยวะนั้นเมื่อแม่กลืนกินของเย็นจัดลูกก็เหมือนอยู่ในโลกันตนะรกเมื่อแม่บริโภคของที่เปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดขมจัดอวัยวะสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในครันก็มีเวทนากล้าเหมือนถูกสาตรา ผ่าแล้วก็ราดด้วยน้ำเปรี้ยวเป็นต้นเพราะผิวบอบบางมากน่ยนะนะเพราะเด็กเจ็บปวดนี่เด็กเคยออกมาร้องเรียนไหมนะอ่ะนะเด็กที่อยู่ในคันไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดไม่รู้จักอะไรมันก็เป็แต่ไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยนะนะมันก็เจ็บปวดทุกข์หกายแยบิญญาณก็เกิดได้ เพราะฉะนั้นราชบุรุษทั้งหลายก็เลยห้ามจากพระนางแม้การจงกรมนานเกินไปก็อย่าทําเกินนะเดินก็อย่าเดินเกินไปอย่ายืนเกินไปอย่านั่งเกินไปอย่านอนเกินไปเรียก ว, ว่าแม่ถูกจัดระเบียบหมดเลยจัดระเบียบในการยืนเดินนั่งนอนแค่ไหนลูกในท้องจอะสบายไอ้ที่ห่วงไม่ได้ห่วงแม่เท่าไหร่นะห่วงลูกที่อยู่ในท้องนั่นเอาห่วงคนมีบุญที่อยู่ในคันน่ะคนมีบุญก็อย่างนี้นะดีทุกอย่างเลยคนมีบุญมาเกิดเถอะ พราะทุกคนคิดว่าขอสัตว์ผู้อยู่ในคันอยามีทุกข์เพราะการเคลื่อนไหวพระนางก็ได้เพื่อทรงกระทําการจงกรมเป็นต้นที่พื้นดินพอประมาณเพื่อประโยชน์แก่การทําให้อ่อนพระองค์ก็ได้ข้าวได้น้ําที่ดีสบายสมบูรณ์ด้วยสีเกลืน่นราชบุตรกําหนดให้พระนางเนี่ยจงกรมให้ลุกให้พระนางบริหารทระครนจนถึงพระนางเนี่ยมีคันแก่ก็เสด็จไปสู่เรือนประสูตรประสูตรพระโอรสในสมัยใกล้รุ่ง เขาบอกคนมีบุญโดยมาจากคลอดใกล้รุ่งนั่งั่งซึ่งมีลักษณะพร้อมด้วยทัญลักษณ์บุญลักษณ์คือว่าลักษณะของคนมีบุญมาเกิดเช่นกับก้อนมโนศิลาที่ทาด้วยน้ามันสุกต่อจากนั้นในวันที่ห้าราชบุิษทั้งหลายก็นําพระราชโอรสนั้นอะ่ะเข้าประดับประดาตกแต่งเข้าไปถวายพระราชา5วันแล้วนะพ่อจึงได้เห็นเหมือนกันพระราชาก็ยินดีก็เลยให้พี่เลี้ยง66คนเลี้ยงดูนะ พีเลียงหกสิคนพระกุมาร น, นั้นก็เจริญด้วยสมบัติทั้งปวงต่อการไม่นานนะก็ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาพระราชาก็อภิเสกกุมาร น, นั้นซึ่งมีอายุสิบปีเท่านั้นเอาไว้ในราชสมบัติสแสดงว่าเป็นคนฉลาดมากเลยในะขณะอายุ16ปีนี้เป็นพระราชาล้ก็พ่พอก็เป็นที่ปรึกษาให้นะพระราชาในหลวงก็เป็นที่ปรึกษาให้ให้เป็นพระราชาองค์หนุ่มดูแลบริหารทั้งหมดทรงให้นักฟ้อนสามประเภทบำรุงเลี้ยงดูพระกุมาร น, นั้น พระราโชรสนั้นก็พิเศษครองราชสมบัติโดยนามว่าพรห ม, มทัตแปลว่าพรหมให้มาพระเจ้าพรห ม, มทัตแปลว่าพรหมให้มางั้นถ้าเทวทัตก็เทวดาให้มาชื่อนี้เสียก็เลยมีใครตั้งก็เป็นพระเจ้าพรห ม, มทัตปกครองนครสี่หมื่นนครคําว่าสี่ห0ื่นนครก็คือ4ี่หมืเมืองหรือสี่0 0ื่นอาเภอนะลักษณะสี่0 0ื่นอำเภอหรือสี่0 0ื่เมืองอในชมพูทวีปทั้งสิ้นในการก่อน ชมพูทวีปนี้ปกติเนี่ยมีนครเนี่ยนะประมาณ 84% ดหมนพันนครก็คือ 84%00 มื่อำเภอหรือ8 4 0 0 0ืเมืองอ่ะนะพระนครเหล่านั้นก็เสื่อมก็เหลือ4ี่0 0ื่นนครในการบางอย่างก็เสื่อมเหลือสอง0 0ื่นครพระเจ้าพรหมทัตอุบัติขึ้นในเวลาที่มีแต่ความเสื่อมทุกอย่างบ้านเมืองก็เลยเหลือประมาณ2องห0ื่นนครปราสาทสอ0 0 0ื่นองช้างส 0,000 ื่นเชือกม้า2อ0 0 0ืนตัวรถ2องห0ื่นคันทหารเดินเท้าสองห0ื่นคน Hey, เมืองละคนนักทหารนะจนจังเลยนะทหารเมืองละคนน น, นางสนมและนางหญิงฟ้อนสองหมืนางอมาตย์สอง0คนพระเจ้าพรหมทัตนั้นอ่ะเสวยมหาราชจสมบัติอยู่ก็กระทากระสินบริกรรมเป็นคนมีบุญอัธยาศัยนักบวชมาเต็มเตี่ยมเลยนะเจริญสมณธรร ม, รมอยู่สอง0 0ปีพอมาเป็นพระราชาเนี่ยไม่ได้ปกครองบ้านเมืองรอกร่งเจริญกรรมฐานจนได้อภิญญาหสมาบัติ8 ในที่เกิดขึ้นธรรมดาพระราชาที่อภิเสกแล้วก็ประทับนั่งในที่วินิจฉัยคดีเป็นแน่แท้เพราะ ป, ระปกตินี้พระราชาสมัยก่อนต้องตัดสินคดีเองท่านก็เลยเสวยพระกยาหารเช้าประทับนั่งโรงวินิจฉัยมหาชนก็ทําให้เสียงดังพระราชาก็คิดว่าเสียงนี้เป็นอุปกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองแก่สมาบัติเสด็จขึ้นประสาทประทับนั่งว่าเราจะเข้าสมาบัติ ก็ไม่อาจจะเข้าสมาบัตินะไอความชุลมุนวุ่นวายตอนที่ไปไปรงไปศาลไปวินิจฉัยคดีในมันวุ่นวายจนถึงขนาดเรียกว่ากลับมาขึ้นปราสาทเข้าชานไม่ได้ว่าเรานิสมาบัติเสื่อมแล้วเพราะความฟุ้งซ่านในราชสมบัติก็เลยคิดว่าราชสมบัติประเสริฐหรือสมณธรรมกรรมฐานที่เราเจริญอยู่นี้ประเสริฐต่อจากนั้นก็ทราบว่าความสุขในราชสมบัตินี้มีนิดหน่อยแต่ว่ามีโทษมาก ความสุขในสมณธรรมนี่มีอนิสงส์มากไพ่บู์เป็นความสุขที่อุดมบุรุษส่องเสพเสร็จแล้วก็ตตดสั่งอามาตย์คนหนึ่งว่าเจ้าจงปกครองราชสมบัตินี้โดยราชธรรมโดยสม่ำเสมอแต่งตั้งองค์แต่งตั้งองค์แทนเลยนะแต่งตั้งคนแทนเลยถ้าได้ชานะไม่ต้องพูดถึงว่ามีมเหสีนะเพราะไม่มีโอรสอยู่แล้วว่าอ้าอามาตย์ไปดูแลแทนกันแล้วกันอย่าได้ทําการอันไม่เป็นธรรมแล้วก็มอบราชสมบัติเส ร, ร็จขึ้นสู่ปราศาสตร ประทับอยู่ด้วยความสุขในสมาบัติใครๆไม่อาจาเพื่อจะเข้าเฝ้านอกจากมหาดเล็กผู้ถวายน้ำล้างพระพักไม้ชำระฟันแล้วก็พระกยาหารเป็นต้นวันเวลาผ่านไปประมาณครึ่งเดือนพระมหสีวัตรัถามว่าพระราชาไม่ปรากฏในที่ใดเลยพระองค์ไม่ไปเที่ยวอุทยานไม่ตรวจพลไม่ดูการฟ้อนรำตอนนี้พระองค์เสด็จไปไหนราชบุตรก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระนาง พนางก็ส่งข่าวสารถึงอมาตะว่าเมื่อเจ้ารับราชสมบัติแล้วแม้ตัวฉันเองก็เป็นอันของเจ้าด้วยท่านเจ้าต้องรับเอาตัวฉันด้วยนะเจ้าจงมาจงสําเร็จการอยู่ร่วมกับฉันอมตะก็ปิดหมูทั้งสองปฏิเสธว่าขออย่าได้ยินเรื่องนั้นเลยพนางก็ส่งข่าวสารอีกสองสามครั้งในที่สุดพนางก็คุกคามอมาตะผู้ไม่ปรารถนาว่าถ้าท่านไม่ยอมกระทําเราจะถอดท่านออกจากตําแหน่งหรืออาจจะฆ่าท่านก็ได้ อมาร์ก็กลัวคิดว่ามาตุคามไม่มีความต้องการรุนแรงอาจจะกระทาอย่างที่พูดก็ได้ในการบางครั้งวันหนึ่งก็ได้ไปในที่ลับสําเร็จอยู่ร่วมกับพระนางบนที่บรรทมอันทรงสิริความที่พระนางเนี่ยเป็นผู้มีบุญมีสัมผัสอันเป็นสุขอมาร์คนนั้นถูกราคะเกิดจากสัมผัส ข, ของพระมเหสีนั้นยอมเข้าแล้วก็ออกแอบไปบ่อยๆเลยคือติดใจก็เลยไปตําหนักทนางหมดความระแวงเริ่มเข้าไปเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว ไม่สนใจพระราชาแลว้วเขาเนี่ยนะตัวเองนึกว่าเป็นสําเร็จหมดทุกอย่างเหมือนกับองค์ราชาแท้ๆลืมไปเนี่ยนะต่อมาพวกราชบุรุษก็กราบทูลเรื่องนั้นแดพรราา่พระราชาพระราชาเขไม่เชื่อนะไม่สนใจคือคําว่าไม่เชื่อก็คือไม่สนใจบอกครั้งที่สองครั้งที่สพระองค์ก็ประทับนั่งเห็นด้วยพระองค์เองเออเดี๋ยวไปดูสิก็เห็นจริงก็รับสั่งให้อมัดทุกคนประชุมกัน ตรัส บ, บอกเรื่องนั้นอามาตย์ก็กราบทูลว่าอามาตย์นี้มีความผิดต่อพระราชาสมควรตัดมือตัดเท้าลงโทษกรรมกรเนี่ยนะแต่ละคนก็ไว้เสนอเลยต้องตัดหัวต้องอะไรนะอะไรต้องเคี่ยนต้องโบยต้องตีต้องตาดเนื้อออกทีละชิ้นไปทอดให้มันกินเองเนี่ยนะทุกคนก็เสนอกรรมกรที่ระบบการลงโทษที่มีอยู่ในโลกพระราชาก็ตรัสว่าหากเราพึงเบียดเบียนหรือ ในเพราะการฆ่าการจองจําการเขี้ยนตีอมาตจะเพิ่งมีการตําปานาติบาตเพราะปลงชีวิตจะมีอัตินนาทานเพราะการริบทรัพย์พอละด้วยกรรมกรเห็นป่านี้บอกว่าพอกันทีไม่เอาแล้วที่อมาตนี้ทําแล้วก็เลยปลดอมาตนี้จากราชสมบัติของเราแล้วก็ให้อมาตยทั้งหลายในประเทศนั้นอมาตออกไปอมาตนั้นก็ถือเอาทรัพย์สมบัติบุตรภรยาของตนไปสู่ต่างประเทศ พระราชาในประเทศนั้นก็ฟังข่าวว่าเจ้ามาทําไมอํา ม, มาตย์นี่ก็บายหน้านะจากเมืองหนึ่งไปไปสวามิภักดิ์อีกเมืองหนึ่งพระราชาก็ถามมาทําไมอํา ม, มาตย์ก็บอกขอเดชะพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะมาบํารุงมาขอรับราชการในบ้านเมืองของพระองค์พระเจ้าข่าพระราชาก็รับอํา ม, มาตย์นั้นเข้าทํางานอํา ม, มาตย์นั้นก็ได้รับความไว้วางใจก็คือเป็นคนฉลาดมากคนเก่งมากนะถ้าไม่เก่งจริงๆพระราชาองค์ก่อนก็ ไม่แต่งตั้งให้สําเร็จราชการแทนแล้ไปอีกเมืองหนึ่งแม้ไปทําเก่งดีทุกอย่างก็เลยพระราชาก็วางใจเพราะช่วยจัดแจงกิจการบ้านเมืองให้เป็นไปเรียบร้อยวันหนึ่งก็กราบทูลเรื่องนั้นกับพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเห็นน้ํำพึ่งไม่มีตัวเหนั้นมีแต่น้ําพึ่งมีแต่รวงพึ่งมีแต่พึ่งไม่มีตัวพึ่งเลยแต่ผู้กินน้ําพึ่งนั้นไม่มีพระราชาเรคิดว่าอัมมัดนี้สงสัยจะล้อเล่น ก็เลยกล่าวว่าเรื่องนี้เล่าทําไมแล้วก็ไม่ฟังอมาตนั้นก็ได้โอกาสอีกก็พันนานาเล่าให้ฟังดีกว่าเดิมกราบทูลว่าพระราชาถามว่านั่นมันอะไรก็บอกก็สมบัติในเมืองพราราณสีสิพระเจ้าค่ะพระราชาก็บอกว่าเธอประสงค์จะนําฉันไปตายหรือจะไปชิงเอาเมืองพราราณสีก็เท่ากับไปตายนะเมืองยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอมานก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์อย่าได้ตรัสอย่างนั้นถ้าไม่ทรงเชื่อ พระองค์ก็ส่ ง, สงนะให้ส่งคนเนี่ยไปพระราชาทำอย่างนั้นก็พระองค์ก็ส่งคนทั้งหลายให้คนเหล่านั้นไปขุดซุ้มประตูขึ้นทางพระตําหนักบรรทมของพระราช า, านะครับว่าให้ไปขุดอุโมงขึ้นนะมันขึ้นตรงประสาทพระ อ, องค์เลยนะพระราชาเห็นก็ถามว่าพวกเจ้ามาเพื่ออะไรคนเหล่านั้นก็กราบทูลข้าแต่มหาราชพวกข้ารองเป็นโจร พระราชาก็ตรัสสั่งพระราชทานิญซาบแก่โจรเหล่านั้นให้โอวาทอย่าทำอย่างนี้อีกนะเขามาปล้นเออนี่เอาไปอย่าทําอย่างนี้อีกนะไม่ดีก็สอนให้กลับไปก็ปล่อยไปพวกคนเหล่านั้นก็มากราบทูลแก่พระราชาของตนพระราชาก็สั่งให้ทดลองอย่างนั้นสองสามครั้งก็เลยคิดต่อไปว่าเออพระเจ้าพระมทัศน์นี่มีศสีลจริงก็เลยตระเตรียมจัตุรงค เ, เสนายกเข้าสู่นครในระหว่างเขตแดนก็ส่งสารให้แก่อํามาศ ในนครนั้นว่าจะให้เมืองแก่เรารด้ว่าจะร บ, บเหมือนนอมาก็กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระเจ้าพรมทัตแล้วก็กราบทูลใหพ้พระเจ้าพรมทัตว่าขอพระองค์จงรับสั่งว่าข้าพระเจ้าจะรบหรือจะให้นครปราชาก็ส่งไปว่าเราไม่รบนะเจ้ า, เ, าเราไม่พึงรบเจ้าให้นครแล้วจงมาทีนี้เอาไปไปยกบ้านยกเมืองให้เขาเลยเหมือนกัน อามาตย์ก็ทําอย่างนั้นฝ่ายพระราชาผู้เป็นปฏิปัติก็ยึดนครนั้นแล้วสั่งให้ยึดเมืองก็ส่งทูตไปสู่นครอื่นในนครที่เหลือทั้งหลายก็เหมือนอย่างนั้นอามาตย์นั้นก็ทูลบอกแด่พระเจ้าพรหมทัตเหมือนอย่างนั้นเท้าเธอก็ตรัสว่าไม่พึงรบพึงมาที่นี่คือจริงๆเนี่ยก็ยกมาระหว่างแดนเนี่ยนะเมืองหน้าด่านทั้งหมดเนี่ยพระราชาสั่งให้ยกเมืองให้เข้าเลยยกมาเรื่อยๆๆๆๆจนมาถึงเมืองพาราณสีอามาตย์ก็ทูลแก่พระเจ้าพรหมทัตว่าข้าแต่มหาราช พวกข้าพระองค์จะรบกับพระราชาผู้ปฏิปักษ์นั้นพระราชาก็ห้ามว่าปาณาติบาตจักไม่มีแกเราอมะก็พระราชาได้สมาอภิญยาหาสมาบัติแท่านจะรบทําไมเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นท่านก็จะพรมโลกอยู่แล้วใช่ไหมท่า น, นหนักใจทำไมอา ม, มาทั้งหลายก็ทูลให้พระราชายินยอมด้วยอุบายต่างๆว่าข้าแต่มหาราชพวกข้าพระองค์จักจับพระราชานั้นทั้งเป็นแล้วมานํามาในที่นี้ก็ทูลต่อไปว่าข้าแต่มหาราช ขอพระองค์จงสเสด็จมาดังนี้ก็ก็เริ่มจะไปพระราชาก็ตรัสว่าถ้าพวกเจ้าไม่ทําการนําศาสตราไปการประหารด้วยศาสตราและการปล้นสะดมเราจะไปอา ม, มาตก็กราบทูลฆ่าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์จะไม่ทําจะแสดงภัยและให้หลบหนีไปดังนี้แล้วก็ตระเตรียมจะตรงคเสนาตามประทีปทั้งหลายไว้ในหมอ้อทั้งหลายในราตรี พระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์ยึดพระนครพาราณสีในวันนั้นพระองค์ก็คิดว่าบัดนี้เราจะเตรียมพร้อมเพื่ออะไรคือพระราผู้นี้แอบแอบแอบแอบไปซุ่มอยู่หมดเลยนะก็ให้พระราชาศัตรูเนี่ยเข้าไปในเมืองยึดเมืองเบ็ดเส็จหมดแสดงว่ามันก็ไม่เห็นมีการรบมีการอะไรก็เลยปล่อยให้ทหารไม่ต้องตระเตรียมกันแล้วพักผ่อนให้สบายก็เลยสั่งให้เลิกการตระเตรียมพาทุกคนพากันประมาททนนิกายทหารพระราชาหลับกันหมดเลยนะ ก็เยยกทัพมาจากที่อื่นมาถึงเมืองศัตรูแล้วก็เลยนอนกันสบายอมาตย์ทั้งหลายก็นําพระเจ้าพระรณศีสู่ไข่ของพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์สั่งให้ดับประทีปจากหม้อทุกใบแล้วก็ทําให้ทําเสียงกองทัพดังโฉดช่วงพร้อมกันอํามาตย์ของพระราชาปฏิปักษ์เห็นเห็นกองพลที่ยกกําลังมากก็ตกใจกลัวเข้าไปเฝ้าพระราชา ทำเสียงดังตะโกนใส่พระราชาบอกจงสเสวยน้ําพึ่งที่ไม่มีตัวพึ่งว่างั้นในเวลาสเสวยน้ําพึ่งแล้วพระเจ้าข้าว่างั้นนะหัวขาดแน่งานนี้อมาตย์คนที่สองคนที่สามก็ทําอย่างนั้นพระราชาปฏิปักษก็ตื่นด้วยเสียงนั้นก็ถึงความหวาดกลัวสะดุ้งด้วยเสียงตึกกล้องขึ้นตั้งร้อยพระราชาปฏิปักษนั้นก็คิดว่าเราเนี่ยนะเชื่อคําพูดของคนอื่นจึงตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรู เนี่ยนะพอเชื่อแท้แล้วก็เลยบน่นบ่นอยู่ทั้งคืนเนี่ยเชื่อศัตรูแท้ๆเลยเชื่อศัตรูแท้ๆเลยมาตายเอาง่ายๆเนี่ยเพราเชื่อคําของคนถอยอย่างนั้นนะในวันที่สองก็คิดได้บ่นอยู่ทั้งคืนเน่ยไม่น่าเชื่ออย่างนี้เลยไม่น่าเลยเสร็จแล้ววันที่สองก็คิดว่าพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาทรงทรําไม่พึงลงโทษเราจะไปขอโทษพระองค์อย่างนี้แล้วก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระราชาคุกเข่าทั้งสองข้างลงกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงทรงอดโทษต่อความผิดของข้าพระองค์เถิดพระราชาก็ทรงโอวาทต่อพระราชาปฏิปักษ์นั้นแล้วก็ตรัสว่าท่านจงลุกขึ้นข้าพเจ้ายกโทษให้แก่ท่านพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์พอพระองค์ตรัสเท่านั้นก็ถึงความโล่งพระทัยอย่างยิ่งดีใจมากก็เลยมอบราชสมบัติในชนบทที่ใกล้เคียงพรมแดงของพระเจ้ากรุงพาราณสีทั้งสองพระองค์นั้นให้เป็นพระสายกันสรุปพระราชาทั้งหมดก็เป็นเพื่อนรักกัน ครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตเห็นเสนาทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมอยู่ร่วมกันก็คิดว่าหยดเลือดแม้เพียงมแมลงวันตัวเล็กๆดื่มได้ก็ไม่บังเกิดในหมู่มหาชนนี้เพื่อประโยชน์แก่การตามรักษาจิตของเราคนเดียวโอ้ทุกคนเนี่ดีจริงเลยนะเขาเชื่อเราหมดเลยนะเขาช่วยการรักษาใจของเราไม่ให้ใจเรากระทบกระเทือนแม้แต่เลือดหยดเดียวก็ไม่มีการไหลโอ้ดีจริงโอ้ดีนัก แ, แลสาทุดีจริง ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอย่ามีเวรอยา่าเบียดเบียนกันเลยอย่างนี้นะก็เจริญเมตตาชานเข้าเมตตาชานทำเมตตาชานให้เป็นบาทพิจารณาสังขารทำให้แจ้งปัจเจกับโพธิยานบรรลุโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองนะบรรลุจริงๆเลยนะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยคิดว่าถ้าคนมีบุญแล้วบรรลุเป็นพระอาหารหันต์บนพระราชวังแล้บนพระตำหนักเลยนะ ธรทั้งหลายก็ประชุมการกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตผู้มีความสุขด้วยมรรคผลคือพระ อ, องค์พอบรรลุเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าก็เข้าวิมุตติสุขไปไว้สุขด้วยมรรคด้วยผลประทับนั่งบนคอช้างว่าตอนนั้นนี่บรรลุบรรลุบนคอช้างเนี่ข้าแต่มหาราชกาละนี้เป็นการเสด็จขึ้นสู่พระยานขอพระองค์พึงทําสักการะแก่หมู่พลผู้ชนะพึงพระราชทานอาหารและสเสบียงแก่หมูช่ชกหมู่พลผู้แพ้ พระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสว่าดูก่อนผนายเราไม่ใช่พระราชาเราชื่อว่าปัจเจกสัมพุทธะอมาตยกราบทูลมาพระองค์ตรัสอะไรพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเขาไม่เป็นเช่นนี้หรอกเอาเป็นยังไงล่ะก็ธรรมดาพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามีผมและหนวดยาวประมาณสององคุรีทรงบริขาร8พระราชากป็นูปพระเสียงด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาทันใดนั้นเพศกรหัตก็อันตรทานไปเพศบรรปะชิตก็เข้ามา แทนที่พระองค์มีพระเกศาพระม ส, สุขมีผมมีหนวดประมาณสององคุรีประกอบด้วยบริขาร8ดเช่นกับพระธิระบวชมาแล้วร้อยพรรษาพระองค์ทรงเข้าจตุตชานเหาะขึ้นจากคอช้างไปสู่เวหาตประทับนั่งบนดอกบัวอามาทั้งหลายก็เข้าไปไวหว้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระ อ, องค์บำเพ็ญกรรมฐานอะไรบรรลุอย่างไรพระ อ, องค์เห็นแจ้งในวิปัสสนาซึ่งเป็นเหตุให้พระ อ, องค์ได้เมตตาจตเมตตาชานกรรมฐานและบรรลุดันั้นพระ อ, องค์ก็เลยเล่าให้ฟังเป็นคาถาว่าคาถาว่าไงบุคคลวางอาทยาในสัตว์ทั้งปวงแล้วไม่เพึงเบียดเบียนบรรดาสัตว์เหล่านั้นแม้ผู้ใดผู้หนึ่งให้ถึงความลำบากไม่พึงปรารถนาบุตร พึงจะพึงปรารถนาสหายมาจากที่ไหนพึงเที่ยวไปดุดน่อแรกฉะนั้นนะส่วนรายละเอียดคำอธิบายก็กไว้เป็นอาทิตย์หน้ากันแล้วกันเฉิญพสำหรับอาทิตย์นี้ก็คงทรงจำคาถาที่ท่านกล่าวว่านะขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นจงมีความสุขเถิดอย่ามีเวรอยา่เอยาเบียดเบียนกันเนี่ยนะท่านคี้อย่างนี้จนได้ฌา น, นเราก็คงไม่ลืมตรงนี้นะเพื่อเป็นแนวทางในการเจริญเมตตา พระประเจตตรัสรูท้ทำเป็นที่พ้นทุกข์แล้วฉั้นใดขอให้สรรพสรรทั้งหลายได้ตรัสรูท้ทำเป็นที่พ้นทุกข์ตามท่านเหล่านั้นฉันนั้นเถิดขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้